เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2551 เ, เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลานี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาัฟังเทกฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามแต่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่ละท่านเพราะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สุขของชีวิตและจิตใจของตอนเอง สิ่งที่จิตใจต้องการนั้นก็คือบุญและกุศลสิ่งที่เป็นพิษกับจิตใจก็คือการหาความสุขทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหาความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ แทนที่จะได้ประโยชน์กับสร้างความคิ้วความอยากความต้องการให้มีมากขึ้นเพราะเมื่อเราได้ซื้อชุดนี้มาแล้วได้ซื้อสิ่งนี้มาแล้วแทนที่ใจเราจะเกิดความพอกับอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกเวลาที่เราออกไปเดินตามร้านสรรพสินค้าเราเห็นมี สิ่งแปลกหูแปลกตาใหม่ๆออกมาวางขายใจก็อดที่อยากจะซื้อมาไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้มาทำบุญให้ทางมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เขาได้มีความสุขบ้างให้เขาได้มีความสบายบ้าง ก็จะทำให้ใจของเรานั้นมีความอิ่มใจมีความภูมิใจมีความสุขใจมีความพอใจทําให้ไม่อยากจะได้ของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้เงินทั้งสองอย่างนี้คือใช้เงินเพื่อทําบุญให้ทานกับใช้เงินเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือย จะเห็นว่าเป็นคนลาโลกกันเลยจะว่าเป็นเหมือนนรกกับสวรรค์ก็ได้เพราะความสุขใจหรือความหิวของใจนี่มันเป็นเหมือนนรกกับสวรรค์เวลาใจมีความสุขใจใจจะเย็นจะสบายจะมีความอิ่มมีความพอเวลาใจมีความอยากมีความต้องการ ใจจะมีความร้อนรนมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจไม่ต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆภายนอกเพราะสิ่งต่างๆภายนอกนั้นไม่ใช่เป็นอาหารของใจไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจสิ่งที่จะเป็นอาหารของใจและเป็นที่พึ่งของใจก็คือบุญและกุศล นี่เป็นสิ่งที่พวกเราซึ่งถูกความหลงครอบงำจะไม่รู้จะถูกความหลงหลอกให้เราเห็นตรงกันข้ามที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นสวรรค์เป็นนรกพวกเราจึงมักจะตกนรกกันมักจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันมักจะมีความฟุ้งซ่านมีความ เดือนร้อนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมมานาทางเพื่อพาชีวิตของเราให้เดินไปสู่สวรรค์ให้เดินไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นเองชีวิตของเราต้องมีแสงสว่างต้องมีพระธรรมคำสอนเราจึงต้องเข้าวัดกันอยู่ เรื่อยๆ เ, <c oughs> เพื่อจะได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้รับแสงสว่างนําทางพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความร่มเย็ยนเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะประเสริฐเท่ากับแสงสว่างแห่งธรรมเพราะแสงสว่างแห่งธรรมนี้สามารถพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ให้เราได้พบกับปรมังสุขขังบรมมสุขคือสุขที่ถาวรสุขที่ไม่สูญไม่สลายสุขที่ไม่มีความทุกข์มามาสอดแทรกเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบได้ครอบครองไว้เป็นสมบัติแล้วก็นำเอามาแจากจ่าย ให้กับสัตว์โลกที่ยังมืดบอดด้วยความโลภความโกรธความหลงที่ยังหลงยึดติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากการได้เงินได้ทองความสุขจากการได้ตาแหน่งต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เช่นคนที่เป็นนายกในวันนี้จะอยู่ กับความสุขหรืออยู่กับความทุกข์ก็ขอให้เราพิจารณาดูว่าเป็นนายกมีตําแหน่งสูงสูงแล้วมีความสุขหรือไม่สู้เป็นขอทานได้หรือไม่ขอทานก็ต้องเป็นขอทานบรรดาศักดิ์คือขอทานที่มีศีลมีธรรมเช่นพระพุทธเจ้าพระสงฆองค์เจ้าทั้งหลายท่านเป็นขอทานบรรดาศักดิ์ท่านขอ ท่านอยู่ด้วยการขอด้วยการให้ของผู้อื่นก็เหมือนกับขอทานต่างตรงที่ท่านไม่ได้ขอแบบขอทานคือไม่แบมือขอท่านเพียงแต่เดินออกโปรดสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้มีโอกาสทำบุญให้ทานถ้าเขามีศรัทธาอยากจะทำก็ทำได้ถ้าเขาไม่อยากไม่มีศรัทธา ก็ไม่ต้องทำแต่จะไม่มีการไปบังคับไม่มีการไปเที่ยวเข็นแต่อย่างใดนี่คือการขอของขอทางบรรดาศักด์ขอด้วยด้วยความมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็ยินดีไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แต่ จิตใจของขอทานบรรดาศักด์กับคนที่มีตำแหน่งสูงๆเช่นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นอย่างไรร้อนกับเย็นเห็นได้ชัดนรกกับสวรรค์เห็นได้ชัดไม่ต้องรอให้ตายไปแล้วถึงจะรู้ว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงหรือไม่นรกและสวรรค์นี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราใจที่เสวยบุญเสวยกรรมนี่แหละ ถ้าสวยบุญก็จะเป็นสวรรค์เป็นความสุขถ้าสวยบาปสวยกรรมก็เป็นนรกวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับว้าวุ่นขุนมัวมันเกิดขึ้นในใจของเราเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างถาวรหรือไม่เป็นอย่างยาวนานเหมือนกับหลังจากที่ตายไปแล้ว เวลาตายไปแล้วถ้าใจเป็นนรกก็เป็นนรกไปนานจนกว่าเชื้อของบาป ก, กรรมจะหมดไปหรือถ้าเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์อย่างยาวนานจนกว่าบุญจะหมดไปถึงจะเปลี่ยนจากสวรรค์ไปเป็นอย่างอื่นต่อไปแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจนั้นคลิกไปเพกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้ น, นลงลง ตามภาวะตามเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบทําให้ใจต้องคิดไปในทางที่ดีหรือคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางบุญหรือคิดไปในทางกรรมถ้าคิดไปในทางบุญก็เป็นสวรรค์ถ้าคิดไปในทางกรรมก็เป็นนรกคนส่วนใหญ่มักจะคิดไปในทางกรรมกัน เวลาได้อะไรมาแล้วก็มักจะหลงยึดติดอยากจะให้สิ่งที่ตนได้มานั้นอยู่กับตนไป น, นานๆเช่นได้ตำแหน่งอะไรก็ตามก็อยากจะให้ตำแหน่งนั้นอยู่กับตนไป น, นานๆได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นอะไรก็ตามก็อยากจะให้อยู่ไป น, นานๆพอมีเหตุการณ์ที่จะมา แย่งริงหรือมาขับไล่ให้ตนพ้นจากตําแหน่งก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะความยึดติดเพราะความอยากที่จะอยู่ต่อไปไม่อยากที่จะต้องหมดจากตําแหน่งนั้นไปแต่ถ้าคนที่คิดเป็นคนที่มีคิดคิดบุญเป็นก็จะไม่คิดอย่างนั้นก็จะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีได้มีเสียเป็นธรรมดาถ้าคิดอย่างนี้เป็นก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียเวลาที่จะต้องเสียตำแหน่งไปก็กลับมีความสุขใจมองไปในทางดีก็ได้ว่าจะได้หมดภาระไปเพราะไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรก็ตามมันก็มีทั้งความรับผิดชอบ ตามมามีทั้งความชอบและความผิดชอบก็คือรางวัลที่ได้จากเป็นตำแหน่งมีตำแหน่งสูงๆมีคนยกย่องสรรเสริญมีอำนาจวาสนาที่จะเอาอะไรมาก็ได้แต่ความผิดก็คือภาระที่จะต้องดูแลจะต้องคอยรับใช้ผู้อื่นจะต้องมีคนนั้นคนนี้มาขอ สิ่งนั้นสิ่งนี้มีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบก็เป็นภาระทางด้านจิตใจทําให้หนักอกหนักใจได้เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ต่างๆมันก็หมดไปมองอย่างนี้ก็ก็มองแบบฉลาดมองแล้วทำให้ใจสบายคือแทนที่จะเสียใจที่พ้นจากตำแหน่ง ก็กลับดีใจว่าเออหมดหมดภาระหมดหน้าที่ไปถ้าคิดเป็นก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นสวรรค์ได้ตลอดเวลาถ้าคิดไม่เป็นใจก็จะแกว่งไปแกว่งมาตามตามความหลงเวลาได้อะไรก็ดีอกดีใจก็เป็นสวรรค์อยู่ช่วงขณะหนึ่งแล้วพอจะต้องเสียไป ก็วุ่นวายใจเสียอกเสียใจก็กลายเป็นนรกไปนี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้อะไรกับสิ่งต่างๆที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆเพียงแต่รับรู้เท่านั้นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตนคนนั้นคนนี้เป็นของตนแต่ความจริงใจไม่สามารถที่จะ เก็บคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ในใจได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาก็ต้องไปตามเรื่องของเขาเมื่อถึงเวลาของเขาที่จะไปถ้าใจหลงไปยึดติดก็จะเสียอกเสียใจเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้จากไปแต่ถ้าใจเฉลาดรู้ทันว่าใจไม่ได้อะไรเพียงแต่รับรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยู่กับเราสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยู่กับเราแล้วเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของใจรู้เพียงมีมีหน้าที่เพียงรับรู้เท่านั้นแต่ใจไม่ฉลาดไม่ไม่ทำหน้าที่ของตนแทนที่จะรับรู้เฉยๆกลับไปหลงยึดติดว่าเป็นของตนจะต้องอยู่กับตนไปตลอดถ้ามีความหลงก็จะเกิดความวุ่นวายใจเวลาที่ สิ่งที่ตนคิดว่าเป็นของตนนั้นต้องมีการจากไปก็จะวุ่นวายใจเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือสิ่งที่ใจควรจะเสริมสร้างให้มีมากขึ้นอยู่เรื่อยๆอยก็คือแสงสว่างแห่งธรรมต้องคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เสมอว่าใจนั้นเป็นเพียงเหมือนกับผู้ดูภาพยนตร์ สิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวละครเป็นเหมือนละครเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่ใจเพียงรับรู้อยู่เท่านั้นใจไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็เพียงแต่รู้ว่าได้มามากน้อยเพียงนั้นเท่านั้นไม่ได้อยู่กับใจไปตลอด สั ก, กวันหนึ่งใจก็ต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปเหมือนกับเราไปดูภาพยนตร์เราก็รู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องออกจากโรงภาพยนตร์ไปสิ่งต่างๆที่เราเห็นในโรงภาพยนตร์นั้นก็เป็นเพียงแต่สิ่งที่เราเห็นเท่านั้นมันไม่ได้เป็นอะไรจริงจังของไม่ได้เป็นอะไรเป็นของเราเลยแต่ใจไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะไม่มีใครสอน ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาที่สามารถมองเห็นของธรรมชาติของใจและเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับใจอย่างแท้จริงก็คือแสงสว่างแห่งธรรมนี่เองคือต้องรู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมารับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยนี้ไม่ได้เป็นของใจไม่ได้อยู่กับใจไปตลอด ไม่ได้ให้ความสุขกับใจมีแต่จะให้ความทุกข์ถ้าไปหลงยึดติดถ้าไม่หลงยึดติดก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรใจสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเช่นเวลาที่เรานอนหลับตอนนั้นใจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรร่างกายใจก็ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไร ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นใจก็อยู่ได้นอนหลับอย่างสบายตื่นขึ้นมากับมีความสุขมีความสดชื่นมากกว่าตอนที่ตื่นเวลาตื่นแล้วต้องออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วพอมีความหลงก็ไปยึดไปติดไปห่วงไปกังวลไปเสียจะไปเสียอกเสียใจไปวุ่นวายไปโกรธไปเกลียดไปแค้นกับเรื่องราวต่างๆ ที่ไปรับรู้พอได้มาหลับนอนหน่อยก็เลยได้ปล่อยวางได้ลืมเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปนี่แหละคือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นของใจเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของใจเพียงแต่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไว้รับรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแล้วสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องหมดสภาพไป ใจก็ต้องแยกจากร่างกายนี้ไปแต่ใจไม่หมดสภาพใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เสื่อมไม่สูญสลายเพียงแต่ว่าใจจะมีใจจะมืดยึดใจจะสว่างเท่านั้นถ้าใจมืดก็ต้องแบกกองทุกข์ไปเรื่อยๆไปหลงไปยึดไปติดไปตื่นเต้นไปดีใจไปเสียใจไปไปได้ไปเสียกับสิ่งต่างๆ ที่ตนเองไปเห็นไปรับรู้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นของของตนอย่างจริงจังของที่เป็นของตนอย่างจริงจังก็คือความมืดหรือความสว่างนี้เองและผลที่เกิดจากความมืดหรือความสว่างถ้ามีความสว่างก็จะมีความสุขมีความสบายใจเพราะไม่หลงยึดติดไม่แบกไม่หาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ปล่อยวาง ให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับก้อนหินถึงแม้จะใหญ่ขนาดไหนก็ตามจะหนักขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ไปแบกมันไม่ไปยกมันมันจะไม่หนักเลยปล่อยมันไว้เฉยๆมันจะไม่ทำให้เราหนักอกหนักใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปมีความอยากกับหินก้อนนั้นอยากจะย้าย ห, หินจากที่นั่นมาที่นี่ตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่ามันหนัก ฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราปล่อยวางเราเพียงแต่รับรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาอยู่กับเราก็รู้ว่าเป็นอยู่กับเราเขาเป็นของเราชั่วคราวก็รู้ว่าเป็นของเราชั่วคราวเราใช้เขาได้เราก็ใช้เขาไปแต่เราอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะถ้าเกิดถึงเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราหรือเราใช้เขาไม่ได้เราจะได้ไม่วุ่นวายใจ เราต้องอย่าไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะถ้าเราไปอาศัยแล้วเราก็จะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาได้เสพยาก็จะมีความสุขแต่พอไม่ได้เสพยาเราก็จะมีความทุกข์มีความทรมานใจดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูหนําฟังเพลงเื้อไปซื้อข้าวของต่างๆที่ถูกตาถูกใจสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นที่พึ่งของจิตใจแต่มันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเป็นเหนือนยาเสพติดทำให้จ้องเสพมันอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้เสพมันไม่ได้สัมผัส ก็จะทุกข์ทรมานใจท่านสอนให้เราอยู่แบบเรียบง่ายสมถะให้ใช้ให้หาในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยยารักษาโยกโลก mm. เครื่องนุ่งห่มอาหารเท่านี้ก็พอแล้วแล้วให้มาหาความสุขทางด้านจิตภายในอย่าไปหาความสุขจากสิ่งภายนอก เพราสิ่งภายนอกมันไม่เที่ยมแท้แน่นอนมันมีเกิดมีดับมีมามีไปได้มาแล้วไม่นานมันก็หมดไปไปซื้อเหล้ามาขวดหนึ่งเดิมหมดแล้วก็ต้องไปซื้อขวดใหม่มาดื่มไปซื้อบุหรี่มาซองหนึ่งพอสูบหมดแล้วก็ต้องไปซื้อซองใหม่มาสูบก็ต้องแสวงหาอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกลับเข้ามาหาความสุขที่มีอยู่ในใจของเราดีกว่า ด้วยการทำจิตใจให้สงบก็ลุมจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปเรื่องไปตามเรื่องต่างๆดึงจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นเหมือนกับเสาไว้ผูกความคิดไม่ให้ลอยไปที่อื่นเช่นให้คิดคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่สามารถคิดไปถึงเรื่องอื่นได้ แล้วถ้าไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นได้ไม่นานจิตก็จะสงบลงพอจิตสงบลงแล้วจิตก็จะมีความสุขมีความสบายใจเบาใจมีความพอใจมีความอิ่มใจจะไม่อยากได้อะไรไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้ถึงแมง้ไม่มีร่างกายนี้ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวถึงเวลาที่จะต้องเสียอะไรก็เสียได้ เสียของภายนอกก็เสียได้เสียร่างกายนี้ก็เสียได้เพราะใจนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องอาศัยร่างกายต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขแต่พอได้มาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบปล่อยวางสิ่งต่างๆภายนอกไม่แสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอก ไม่ว่าจะเป็นลาบลดสรรเสริญหรือสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายก็จะไม่สแสวงหาจะใช้เวลาทั้งหมดมาทําจิตใจให้สงบให้มากมากจิตสงบมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากเท่านั้นไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นๆมากเท่านั้นแล้วก็จะอยู่อย่างเป็นสุขทั้งในขณะที่อยู่และในขณะที่ไปเพราะ ไม่ได้ยึดติดกับอะไรเวลาที่เราทุกข์กันนี้ทุกขเพราะเรายึดติดเรายังหวงยังเสียดายแต่ถ้าเราไม่เสียดายเราไม่หวงเราไม่ยึดติดแล้วเราจะไม่ทุกข์เช่นวันนี้เราตั้งใจจะมาทาบุญเราตั้งใจที่จะเสียเงินก้อนหนึ่งไปซื้อข้าวของมาเวลาเราเสียเงินก้อนนั้นไปเราไม่ทุกข์ ว่าเราไม่ยึดติดกับเงินก้อนนั้นเราไม่หวงเราเราพร้อมที่จะเสียถ้าเราพร้อมที่จะเสียแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลาที่มันจากเราไปแต่ถ้าเราไม่พร้อมเรายังหวงยังอยากให้อยู่กับเราเราก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่ง<ม>นี่คือความสอนที่เป็นแสงสว่างที่จะพาให้จิตใจของเรานั้นดำเนินไปได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่จากโลกนี้ไปจึงขอให้พวกเราหมั่นเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมแล้วพยายามนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติวันนี้ก็สอนว่าให้รู้ว่าไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับใจและใจไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ใจต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดอย่าไปติด แต่ถ้ายังมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกันอยู่ก็ดูแลกันไปทำหน้าที่กันไปเช่นร่างกายนี้ยังอยู่ก็ต้องดูแลรักษาร่างกายนี้ไปให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคเพื่อจะได้เอามาเอาร่างกายนี้มาทำประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าประโยชน์สำหรับตนนั้นได้ครบเต็มที่แล้ว ก็ทำประโยชน์สำหรับผู้อื่นต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็ทรงใช้ร่างกายนี้มาทำประโยชน์ให้กับตนเองด้วยการทำจิตใจให้สงบจนจิตสงบได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็ใช้ร่างกายนี้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนำเอาแสงสว่างแห่งธรรมความรู้อันวิเศษนี้มาสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดฉลาด สามารถนำเอาไปปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์ได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมามีเป็นจำนวนมากและมีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันที่ยังไม่สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละท่านว่าจะสนใจอะไรถ้ายังสนใจกับเรื่องราบยศเสริญสุขอยู่ ก็จะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของความสงบสุขทางด้านจิตใจแต่ถ้าเคยสัมผัสกับความสงบสุขอยู่บ้างแล้วจะเห็นความสําคัญของความสงบสุขของจิตใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้บุคคลแบบนี้เท่านั้นที่จะสามารถรับประโยชน์จากพระศาสนาได้เต็มที่ถึงขอให้เราพยายามสร้างความสนใจสร้างความ พอใจให้เกิดขึ้นกับความสงบสุขของจิตใจให้ได้ในเบื้องต้นก็พยายามเสียสละตัดความยึดติดในวัตถุเข้าวของเงินทองต่างๆสิ่งใดที่ไม่จำเป็นก็ขอให้เรานำเอาไปทำบุญให้ทานเสียเมื่อเราทำแล้วเราจะเลยมีความรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบของจิตใจ แล้วเราจะมีกําลังใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเราจะมีกําลังใจที่จะเสียสละที่จะตัดสิ่งต่างๆให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะมีเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาได้ทรงดำเนินมา พระองค์ก็ทรงตัดทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นต่อพระองค์ที่ไม่จำเป็นต่อการทำความสงบให้กับจิตใจสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญสุขทางโลกในฐานะของราชกุมารท่านสละได้หมดแล้วท่านก็ออกไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อหาความสงบสุขทางด้านจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำกัน ถ้าเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงถ้าเราปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความวุ่นวายใจทั้งหลายเราต้องกล้าเสียสละเราต้องกล้าปล่อยวางเราต้องไม่ยึดไม่ติดนี่คือเป้าหมายของเรานี่คือหน้าที่ของเราจึงขอให้พวกเราจงพยายามนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป่ายควรไปพิจารณา